มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนเดกะปัญหาทุติยวัคสัพพสตานังหิตะจรณะปัญหาที่6ถามว่าพระตถาคตประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงเหตุไรจริงเทสนาอักขิขันโธปมาสูตรให้ภิกษุ60รูป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 ปฏิบัติผิดไม่ต้องด้วยวินัยกิจศิกขาบทก็รากโลหิตอัตโนโกิอริยายะด้วยกิจกระทาไม่ดีตนกระทาไว้ตังหาจะว่าสมเด็จพระผู้ทรงสวัสดิภาพแกล้งเทสนาให้รากโลหิตคิดให้โทษอย่างไรนะบอพิษพระราชาสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าใช่กระนั้น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 มีอุปมาเหมือนผลไม้มีนอนบ่อนในนกจิกกระากัดฉะนั้นอันหนึ่งจงทรงสวนาการอุปมาไปอีกเล่ามหาราชะขอถวายพระพรเปรียบเหมือนชาวนาอันจะกกระทํานามีจิตปรารถนาเจาวานพืชข้าวปลูกลงในนาก็จับโคและกระบือมาเทียมไถชาวนาก็ขับโคกระบือออกไปที่ไร่นา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 เปรียบประดุดกัดทลีและม้าอัศดรตายเพราะลูกฉันใดก็ดีพระภิกษุหกสิบรูปนี้ตกไปพระตนปฏิบัติไม่ดีเหมือนต้นกัดทะเลและม้าอัศดรทั้งหลายอันตายด้วยลูกฉันนั้นอันหนึ่งเล่าโลหิตอันร้อนไหลออกมาจากปากพระภิกษุหกสิบรูปดูหน้าเวทนาณภควโตกิริยายะ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 บุคคลบริโภคอมริ ธ, ธาราเข้าไปแล้วตกไปไม่ทรงไว้ได้เช่นนี้จะโทษเอาพระองค์เจ้ากระไรได้จะเปรียบชันใดเล่านะบอ่อพิษพระราชสมภารเปรียบปานเหมือนบุคคลให้ทานโภชนะนี้ย่อมเป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลายพระโพชนะเป็นของรักษาชีวิตของสัพปะสัตทั้งหลายความนี้มีคนบางคนไม่รู้จักประมาณท้อง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 จบเพียงนี้